รัตตันธการะวัอันธการะวัคสิกขาบทที่หนึ่งถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญตัตปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ยืนเคียงคู่กันสองต่อสองกับชายในเวลาค่ำคืนไม่มีประทีปณที่ไหนตอบทรงบัญญตัตณกรงสาวัตถีถามทรงปรารบใคร ตอบทรงปราลบิษุณีรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งยืนเคียงคู่กันสองต่อสองกับชายในเวลาค่ำคืนไม่มีประทีปในสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัต6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นเทยยะสัทธะสมุทฐานสิกขาบทที่สองถาม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 ผู้ยืนเคียงคู่กันสองต่อสองกับชายในที่แจ้งณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารภใครตอบทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งยืนเคียงคู่กันสองต่อสองกับชายในที่แจ้งในสิกขาบทที่สนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐาน เกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นเถอยะสัทธาสมุทฐานสึกคาบทที่สถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ยืนเคียงคู่กันสองต่อ2องกับชายในถนนในตรอกตันหรือในทางสามแพร่งหน้าที่ไหนตอบทรงบัญญัติณครงสาวัตถีถามทรงปรารบใคร ตอบทรงปรารบภิกษุณีทูลละนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทูลละนันธายืนเคียงคู่กันสองต่อสองกับชายในถนนบ้างในตรอกตันบ้างในทางสามแพร่งบ้างในสิกขาบทที่สี่นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นเถรยสัทธาสมุฐานสิกขาบทที่ห้า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 เพราะเรื่องที่ภิกษุนี้รูปหนึ่งเข้าไปสู่ตระกูลในเวลาก่อนพระตหารแล้วนั่งบนอาสนะจากไปโดยไม่บอกเจ้าของบ้านในสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบาตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นกระถินนสมุทฐานสิกขาบทที่6ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น ทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้เข้าไปสู่ตระกูลในเวลาหลังพัตตาหารนั่งบนอาสนะโดยไม่บอกเจ้าของบ้านณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทูลลนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทูลลนันทาเข้าไปสู่ตระกูลในเวลาหลังพัตตาหารนั่งบนอาสนะจากไปโดยไม่บอกเจ้าของบ้าน ในสิกขาบทที่6นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบาตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นกถินนณสมุทฐานสิกขาบทที่7ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้เข้าไปสู่ตระกูลในเวลาวิการแล้วปู่เองหรือใช้ให้ปูที่นอน โดยไม่บอกเจ้าของบ้านแล้วนั่งณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปเข้าไปสู่ตระกูลในเวลาวิการปูหรือแช่ให้ปูที่นอนโดยไม่บอกเจ้าของบ้านแล้วนั่งในสิกขาบทที่เจ็ดนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ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 ตอบทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งให้ผู้อื่นโพลทนาเพราะเข้าใจผิดเพราะไข้ครควญผิดในสิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสามสมุทฐานสิกขาบทที่9ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้สาบแช่งตนหรือผู้อื่นด้วยนรกหรือพรหมจรรย์ณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณครงสาวัตถีถามทรงปรารกใครตอบทรงปราบรภิกษุณีจันทกาลีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีจันทกาลีสาบแช่งตนเองบ้างผู้อื่นบ้างด้วยนรกบ้างด้วยพรหมจรรย์บ้าง ในสิกขาบทที่9นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐานสิกขาบทที่ส0ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแกพิษุนีผู้ร้องไห้ทุกตีตนเองณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณครงสาวัตถีถามทรงปรารกใคร ตอบทรงพระรบภิกษุณีจันทกาลีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีจันทกาลีร้องไห้ทุบตีตนเองในสิกขาบทที่10นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาส ม, มุทฐานแห่งอาบัตหกส ม, มุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐา น, มมานเป็นธุรนิเข ป, ปส ม, มุทฐานรัตันธการะวักที่สองจบ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 ตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปเปลือยกายอาบน้ําในสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานในอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทรฐานสองสมุทรฐานเป็นเอละกะโลมสมุทฐานสิกขาบทที่2ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแกภิกษุณี ผู้ให้ทำผ้าอาบน้ำเกินขนาดณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิษุนีฉาพคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกพิษุนีฉาพคีใช้ผ้าอาบน้ำไม่ได้ขนาดในสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัดหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหกสมุทฐาน สิกขาบทที่สถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้เลาะหรือชะให้เลาะจีวรแล้วไม่เย็บไม่ขนขวาให้เย็บณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินครุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทุนลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ภิกษุณีทูลนันทาให้เลาะจีวรของภิกษุณีแล้วไม่เย็บให้ทั้งไม่ขนขวายใช้ผู้อื่นให้เย็บในสิกขาบทที่สมนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเป็นทุรนิเข ป, ปะสมุทฐานสิกขาบทที่สถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น ทรงบัญญัติปาจิตติแก่ภิกษุณีผู้ให้วาระผัดเปลี่ยนสังฆาติที่มีกำหนดห้าวันล่วงเลยไปณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปราบรภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปฝากจีวรเวทกับภิกษุณีทั้งหลายแล้วมีเพียงอุตราสงค์กับอันตรวาสกจาริกไปสู่ชนบท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 พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตต์แก่ภิกษุณีผู้ทำอันตรายแก่จีวรที่คณะจะพึงได้ณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณครงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทุนลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุนลนันธาทำอันตรายแก่จีวรที่คณะจะพึงได้ ในสิกขาบทที่6นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบาตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสามสมุทฐานสิกขาบทที่7ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้คัดค้างการแจกจีวรที่ชอบธรรมณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรงสาวัตถีถามทรงปราบรคใคร ตอบทรงพรารบภิกษุณีถูลละนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีถูลละนันธาคัดค้านการแจกจีวรที่ชอบทำในสิกขาบทที่7นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสามสมุทฐานสิกขาบทที่8ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ให้สมณะจีวรแก่ชาวบ้านแก่ปริภาชกหรือแก่ปริภาชิ ก, กาณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณโรงสาวัตถีถามทรงปรารถใครตอบทรงปรารถภิกษุณีถูนลนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีถูนลนันทาให้สมณะจีวรแก่ชาวบ้าน ในสิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแหน่งอาบาตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหสมุทฐานสิกขาบทที่9ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตติแก่ภิกษุณีผู้ให้สมัยแห่งจีวรการล่วงไปด้วยความหวังในจีวรที่เลื่อนลอยณนะที่ไหนตอบ ทรงบัญญัติณนกรงสาวัถีถามทรงปรารกใครตอบทรงปราบรภิกษุณีทุนลนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุนลนันทาให้สมัยแห่งจีวรการล่วงเลยไปด้วยความหวังในจีวรที่เลื่อนลอยในสขาบทที่9นั้นมีหนึ่งพระพัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบาตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสามสมุทฐาน สิกษาบทที่สิถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัสมพุทธเจา้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตติแก่ภิกษุณีผู้คัดค้านการดอกกรถินที่ชอบธรรมณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทุนล น, นันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุนล น, นันธา ักค้านการดอกกระถินที่ชอบธรรมในสิกขาบทที่10นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐานนหานวักที่สจบ4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 เพราะเรื่องที่พิกษุณีหลายรูปนอนบนเตียงเดียวกันเตียงละสองรูปในสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นเอละกะโล ม, มาสมุทฐานสิกขาบทที่2ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแกภิษุณีสองรูป ผู้ใช้ผ้าผืนเดียวกันเป็นทั้งผ้าปูนอนและผ้าหม่มนอนร่วมกันณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปใช้ผ้าผืนเดียวกันเป็นทั้งผ้าปูนอนและผ้าหม่มนอนร่วมกันสองรูปในสกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ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 ผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ไม่ดูแลช่วยเหลือหรือไม่ใส่ใจมอบมาให้ผู้อื่นดูแลช่วยเหลือสหชีวินีผู้ได้รับความลําบากณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทูนลนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทูนลนันทาไม่ดูแลช่วยเหลือ หรือไม่ใส่ใจมอบมาให้ผู้อื่นดูแลช่วยเหลือสหชีวินีผู้ได้รับความลำบากในสิกขาบทที่4นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเป็นทุรนิเคปะสมุทฐานสิกขาบทที่5ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณี ผู้ให้ที่พักแก่ภิกษุณีแล้วโกรธไม่พอใจฉุดลากออกไปณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตณิณพระงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทุนลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุนลนันธาให้ที่พักแก่ภิกษุณีแล้วโกรธไม่พอใจฉุดลากออกไปในสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัต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 ทรงบัญญัติปาจิตติแก่ภิกษุณีผู้เที่ยวแจริกไปไม่มีกองเกวียนเป็นเพื่อนในที่ที่รู้กันว่าหน้าหวาดระแวงมีภัยน่ากลัวภายในรัฐณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณนคะรงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารพภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปเทีญญ่ยวแาริกไปไม่มีกองเกวียนเป็นเพื่อน ในที่ที่รู้กันว่าน่าหวาดระแวงมีภัยน่ากลัวภายในรัฐสิกขาบทที่7นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทรฐานสองสมุทรฐานเป็นเอละกะโลมะสมุทฐานสิกขาบทที่8ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณี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 มีภัยน่ากลัวภายนอกรัฐในสิกขาบทที่แดนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุธานแห่งอาบัตห6สมุธานเกิดด้วยสมุธานสองสมุธานเป็นเอละกะโลมสมุธานสิกขาบทที่เกถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแค่ภิกษุณีผู้เที่ยวจริยไปภายในพรรษาณนะที่ไหน ตอบทรงบัญญัติณกรุงราชครึ่ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปเที่ยวจริกไปภายในพรรษาในสิกขาบทที่9นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัติหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นเอละกะโลมาสมุทฐานสิกขาบทที่10บ ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตีแก่ภิกษุณีหลังอยู่จำพรรษาแล้วไม่หลีกจาริไปณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชครึถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปเมื่ออยู่จำพรรษาแล้ว ไม่หลีกเที่ยวจาริกไปในสิกขาบทที่สิบนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทรานแห่งอาบาตหกสมุทรานเกิดด้วยสมุทรานหนึ่งสมุทรานเป็นปฐมปราชิกสมุทรานตุวอวตารวัคที่สี่ คารวะสิกขาบทที่หนึ่งถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ไปดูโรงละครหลวงหอจิตรกรรมสวนสาธารณะอุทยานหรือสาบโบครนีณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณครงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปราบภิกษุณีฉะพาี ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉาวพาัีไปดูโรงละครหลวงบ้างหอจิตรกรรมบ้างสวนสาธารณะบ้างอุทยานบ้างสะโบขรณีบ้างในสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแหน่งอาบาดหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นเอละกะโลมะสมุทฐานสิกขาบทที่สองถาม พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตติแกบภิกษุณีผู้ใช้ต่างยาวหรือแท่นณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณนะกรุงสาวัตถีถามทรงปราบรบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปใช้ต่างยาวบ้างแท่นบ้าง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 ผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ช่วยทำการขนขวายเพื่อครหัสนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินักรงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปช่วยกันทำการขนขวายเพื่อครหัสในสิกขาบทที่สี่นั้นมีหนึ่งพระบัญญตัต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 ทั้งไม่ขนควาให้ผู้อื่นช่วยระ ง, งับณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณะกรุงสาวัตถีถามทรงปราบรถใครตอบทรงปราบรถภิกษุณีถุนลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุนลนันธาอันภิกษุณีขอร้องอยู่ว่าแม่เจ้าโปรดมาช่วยระ ง, งับอธิกรณ์นี้ด้วยเถิดรับปากแล้วไม่ช่วยระ ง, งับทั้งไม่ขนควาให้ผู้อื่นช่วยระ ง, งับ ในสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานหนึ่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเป็นธุระนิเคปะสมุทฐานสิกขาบทที่6ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตติแก่ภิกษุณีผู้อของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือของตนแก่ชาวบ้านแก่ปริภาชก หรือปริภาชิกาณที่ไหนตอบทรงบัญญัตนากรูสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีถุลลนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุนลนันทาให้ของเคี้ยวบ้างของฉันบ้างด้วยมือของตนแก่ชาวบ้านในสิกขาบทที่6นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุฐาน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 ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีโถนนั น, น, นทาใช้ผ้าซับระดูแล้วไม่ยอมสละในสิกขาบทที่7นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานในอบาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นกะถินนาสมุทฐานสิกขาบทที่8ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น ทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ไม่ยอมสละที่พักแล้วหลีกจารึกไปณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีถุลลนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลนันทาไม่ยอมสละที่พักแล้วหลีกจารึกไปในสิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัต บรรดาสมุทฐานใน่าอาบาทหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นกถินนะสมุทฐานสิกขาบทที่9ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแ่ปิสุนีผู้เรียนเดรฉ า, านวิชาณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารถใคร ตอบทรงพระรบผู้พิษุนีฉาวพัขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกพิษุนีฉาวพัขีเรียนเดราชานวิชาในสิก ข, ขาบทที่9นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นปะทะโสธรรมสมุทฐานสิก ข, ขาบทที่10ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาเจิตติแก่ภิกษุณีผู้สอนเดรัจฉานวิชาณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณนะกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบผู้ภิกษุณีฉาวพัาพาคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ผู้ภิกษุณีชาวพาคัคีสอนเดรัจฉานวิชาในสิกขาบทที่10บนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตห6สมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นปทฏฐโส ธ, ธรรมสมุทฐานจิตตาคารวะวักที่หจบ 6. อารามวักสิกขาบทที่หนึ่ง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 ในสิก ข, ขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติสองอนุบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเป็นธุรนิเขปะสมุทฐานสิก ข, ขาบทที่สองถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตติแก่ภิกษุณีผู้ด่าบริภาษภิกษุณนะที่ไหน ตอบทรงบัญญัติณกรุงเวสาลีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกพิษุณีฉาพัคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกพิษุณีฉาพัคีด่าท่านพระอุบาลีในสิกขาบทที่สองนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสามสมุทฐานสิกขาบทที่สาถาม พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้เครื่งเขียยบริภาคณะณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีทูนลนันทาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุนลนันทาเครื่งเขียยบริภาคณะ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 ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้ห่วงตระกูลน่าที่ไหนตอบทรงบัญญัติณนคะรุงสาวัตถีถามทรงพระรบใครตอบทรงพระรบภิกษุณีรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งห่วงตระกูลในสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ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 ทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้จำพรรษาแล้วไม่ประวรณาในสงสองฝ่ายด้วยฐา น, นะสาณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัถีถามทรงปราบรกใครตอบทรงปรารกภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปจำพรรษาแล้วไม่ประวรณาต่อภิกษุสงในสุขาบทที่7จนั้นมีหนึ่งพระบัญญัต บรรดาสมุทฐานในอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเป็นทุระนิเคปะสมุทฐานสิกขาบทที่8ถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตติแก่ภิกษุณีผู้ไม่ไปรับโอว่าหรือทำเป็นเหตุอยู่ร่วมกันณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินักแคว้นสักกะ ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุณีฉาพัคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุณีฉาพัคีไม่ไปรับโอวาทในสิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่อาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานเป็นปฐมปราชิกสมุทฐานสิกขาบทที่9ถาม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 อยู่กันสองต่อสองกับชายณที่ไหนตอบทรงบัญยัติณครงสาวัตถีถามทรงปรารกใครตอบทรงปรารกภิกษุณีรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งใช้ชายให้บ่งฝีที่เกิดในร่มผ้าอยู่กันสองต่อสองกับชายในสิกขาบทที่10นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุฐาน เกิดด้วยสมุทฐานสองสมุทฐานเป็นกถินณนสมุทฐานอารามวัคที่หจบ